ตอนนี้เราไปที่สายของคุณคิงอีกครั้งหนึ่งคุณคิงครับครับสวัสดีครับพี่โอเคไหมตอนนี้โอเคแล้วครับเป็นรอยแล้วครับอ๋อแล้วเสียงของคิงตอนนี้ต้องบอกว่าเสียงดังชัดเจนดีมากนะฮะครับผมมาว่ากันถึงเรื่องนี้อยากฟังแล้วอ่ะที่บอกว่าเขาไม่ให้เข้าบ้านครคุณคิงเรื่องนี้เรื่องนี้มันประมาณสิบห้าสิหกปีมาแล้วนะครับครับตอนนั้นเน่ะผม ก็เราเราเกเรจนเราต้องออกจากโรงเรียนธรรมดาเนี่ยไปเรียนภาคค่ำพอผมได้เรียนภาคค่าเนี่ยผมก็จะเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงยันพฤหัสท่านี้ตั้งแต่วันที่ผมไปเรียนเนี่ยผมจะไม่กลับบ้านเลยเลยจะไม่รู้เรื่องกับที่บ้านเลยนะครับผมจะไปเมาไปอะไรคือดื่มเหล้ามาก่อนเลยนะครับแล้วก็จะกลับทุกๆุกเย็นวันพฤหัสเหลืองนั่นก็คือเช้าวันศุกร์ท่านี้ผมไปตั้งแต่วันจันทร์เยเย็นวันจันทร์ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ว่าทางบ้านจะ อ, อะไรขึ้นบั่งตอนนั้นคืนวันพิหัสผมกลับบ้านอ่าผมนั่งรถสองแถวเน้นะครับพี่สองแถวเนี่ยจะมีเที่ยวสุดท้ายเนี่ยประมาณสี่ทุ่มออกผมจําได้ว่าผมนั่งรถสองแถวเนี่ยขึ้นเที่ยวเกือบสุดท้ายหรือเมื่อสุดท้ายนั่แหละประมาณเน้ น, นะครับแล้วผมก็ขึ้นรถมาเนี่ยใช้เวลาประมาณขึ้นชั่วโมงถึงจะมาถึ ง, งปากซอยบ้านผมต อ, มอนนี้ว่ผมมาถึงเนี่ย ผมลงรถมเอเตอร์ไซค์แอบลงรถคอนแอลเสร็จเป็นเนี้ยผมเดินมาถึงผมคิดเลยว่า<ช>ซอยเราทํำไมวันนี้มันเงียบผิดปกติเพราะว่าธรรมชาติแล้วในซอยบ้านผมเนี่ยมันจะมีเด็กวัยรุ่นทั้งที่ติดยาทั้งอะไรเยอะแยะไปหมด<ช>แต่วันนั้นมันเงียบมากผมมองเข้าไปในซอยบ้านผมคือ ม, มันมืดทั้งซอยแล้วมันมันจะมีไฟจางซอยอยู่แค่ประมาณสองดวงซึ่งปกติเนี่ยถ้าคนเยอะมันจะไม่น่ากลัวเลยนะพี่ แต่วันเนี้ยมันดูน่ากลัวแต่ผมเหมาผมก็เลยไม่สนใจผมก็เดินเดินปกติซอยบ้านเราเองเผมจําได้ว่าผมเดินอะไรเนี่ยระหว่างทางระหว่างที่ผมเดินเนี่ยตาผมเนี่ยสอดใจหมดสองข้างทางนะไม่มีคนผมจําได้ว่าไม่มีคนใช้ให้มึกตาหนี้ก็ลงรู้ว่าไม่มีคนอยูแต่ว่าผมเดินประมาณกลางซอยเนี่ยผมได้ยินเสียงเรียกแบบเสียงคนแก่เสียงเล็กเสียงแหะแวะเลยนะพี่แบบเฮ้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยผมก กระดูง้งดุงแล้วผมก็อ่านได้มองผมก็ไปเจอกับยายคนหนึ่งแกพี่เอเล็กอันนี้เอเล็กเนี่ยแกก็นั่งอยู่จะต้องขออนุ ญ, ญาตอธิบายลักษะของเยเล็กก่อนนะพี่คือเยเล็กเนี่ยแกจะเดินตามหลานแกทุกวันแล้วแกจะเป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงแกตัวเล็กนึ่งกระจมอกแล้วก็จะปาแป้งขาวๆกินแค่ลนะตากแตงเนี่ยว่าเอาแ้งพรมน้ำและตากปากๆเนี่ยทุกวันแกจะเดินชนิดที่ว่า ต้นต่อต้นก็หมายถึว่าจะสามารถยกเท้าได้นิดเดียวอะ<ช>่ะยกเทา้านิดเดียวปักฝอยไถซอยแกเดินขึ้นชั่วโมงพี่คิดอูแล้วกันท่านี้ว่ า, นนาช้าค่อยๆไปใช่ครับใช่<ด>ครับสั้นอะไรอย่างนั้นใช่ครับระยะท่านๆเองเท้าแกเนี่ยจะไม่พ้นกันนะส้นต่อต้นกันนะะท่านี้แกก็เรียวผมเอ้ขึ้นมาผมก็ตกใจเนาะือเสียงคนแก่เล็กแหลมแหลมแล้ผมหันไปเอ้ายายมันน่าจะทาอะไรนี่เนี่ยแกก็หยอก รอหลานมผมก็เลยอ๋อเอ่อผมผมจะขอเรียกชื่อหลานแค่ว่าเอกับบแล้วกันเนะาะเพราะว่ารอพี่เอ็กับไอ้บเหรออกเออเนยผมก็รอคู่นี้ประจำอขอโทษด้วยนะครับพี่แะพูดอย่างนี้จริงมนะไม่เป็นไรคนะรได้ไดครับอกกเลยว่าอ๋อรอหลานาแล้วทาไมไม่ไปเดินตามเหมือนทุกวันะ่ะพี่ผมผมชอบใจแกแล้วก็แยแกแลก็เดินอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไมไปแนละ้ววันเนี้ยมันร็อ ประตูบ้านนะนนนทิ้งอูกสองวันแล้วแต่ก็พูดเหมือนทํา น, นองคนพูดสิิๆขัดๆเหมือนแบบจะเช่าก็ไม่เช่าจ ะ, จะพูดออกมาก็ไม่พูดผมว่าเอา้าทำไมเป็นงนะั้นน่ะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะปกติผมไม่ได้สนุกกจะ แ, แกแกจะสนุกกจะยายผมผมก็เลยบอกว่าผมไปก่อนแล้วนะผมก็เดินไปอยู่ดีจะบอกว่าเอาเหล้ามากินทีดิคือว่าผมเอาเหล้าเนกดไว้กระเป๋าเก่งข้างหลังแล้วเสื้อเสื้อนักเรียนผมเนี่ยมันจะยาวกิ่ด ผมก็สงสัยว่าจกรู้เรื่องไรเปกติผมแอบเอาเล่าขาบุกเขาบ้านแม่ผมก็ไม่ใช่รู้เฮยแกรู้เรื่องไรก็เลยถามวายายกินเหล้าด้วยอ่ะแต่ก็บอกไม่กินมันเมื่อก่อนจะกินหนูแต่เนี้ไม่กินนานแล้วแต่ไม่อยากกินผมว่าอ๋อไม่เป็นไรแกไนแกก็เห็นแล้วนะิดนก็ไปเห็นเี้ยแล้วยายจะกินยัยไงแก่ก็ไม่มีนะสดลงสดดาต้องมีแกบอกปีนเขาไ็เอามา อเอายายอยากยินยายก็เปิดประตูให้ผมดี อ, มอยายจะมาหยเิเปีนยังไงอ่ะยาบอกไม่มีกุญแจหรอกเออที่ยายไม่ได้พูดเล่นน่ะเนี่ยอไม่พูดเล่นงมันล็อกประตูมันทิ้งกูปไปสองวันสาวัานแล้วเนะี่ยเออผมก็คิดไม่ใจนะไอ้ทาไมเขาทำามาคแก่อย่างนี้วะผมว่าเอาไม่เป็นไรเอาเล่าวางไว้ที่เตาหินหน้าบ้านแกที่จะนั่งอ่ะนะปีนประตูล้วเข้าไป คือมันตูล้ล็อไปเสร็จผมก็ถามว่ายายแก้วอยู่ไหน mm hmm. แต่ก็บอกอยู่ในตู้หน้าบ้านน่ะ น, นะผมก็เปิดตู้ในขณะที่ผมเปิดตู้ที่ mm hmm. ผมหันไปมองประตูประตูในบ้านที่เป็นประตูไม้ชั้นนึงจากประตูลัวเข้ามานะก็ mm hmm. ล็อกกุญแจดอกใหญ่อยู่อืม mm hmm. เป็นล็อกด้วยว mm hmm. เป็นแม่กุญแจดอกใหญ่เลยใช่ครับ mm hmm. ผมก็เลยว่าเฮ้ย mm hmm. ทําไมเขาทำกบคนแก่ขนาดนี้ะนี mm ่ย hmm. นั่นเราบอกยายแล้นั่งอยู่หน้าบ้านมันจะล็อกทําไมเนี่ย ขโมยขโมยผมไม่คิดจะมาขึ้นหรอกตอ น, ตอนเจ้าของบ้านนั่งอยู่แล้วบ้านนะแต่ก็เลยพูดขึ้นมาในสิ่งที่ผมสงสัยอยู่แต่ก็ว่ากูก็เลยล็อกพวก ม, ม, มันเลี่ยล็อกผมที่ไนว่าสงสัยคนงนับถือกันไม่ได้ละที่เอกับไอบีน่นนะคงนับถือกันไม่ได้แล A A น, น, นะนลลต่างคนแก่ น, นัเนน่ะก็ปีเรามานั่งเหมือนเดิมปีเราก็นั่งใส่สมอกเออแล้วยายนอนยังไงอะไรยังไงเนี่ยสองวันสาวันมาแล้วแล้วเขล็อกอย่างเงี้ยแต่กูก็นั่งอยู่นี่อย่างพูดละ เฮ้ยเล่นไม่ได้ใหญ่เดี๋ยวบอกก็นม่งของกูอยู่นี่แหละคือพูดเหมือนคนปกติเลยนะพี่ไม่เหยื่ออะไรเลยผมก็เลยพูดขึ้นมาแบบเล่นคํานึ่งบอกเดี๋ยวถ้าพีเอกไอ้บีกลับมาใหญ่ก็ร้อยหัวแตกเลยแกเน้นมาคำหนึ่งหัวแตกพึ่เสือแล้วยังก็นิ่งผมก็ว่าเป็นอะไรใหญ่เดี๋ยวบอกหัวแตกมันเจ็บป่ะววะผมก็ว่า มันก็เจ็บหรือยัยผมก็เคยมึงหัวรังข้งแตกไงตีกันอะไรกันก็เคยหัวแตกเนอะแล้วยายจะถามทําไมเนี่ยป้าโอ้ยเมื่อก็มึงไม่รู้ว่าหแตกมันเจ็บหรือไม่เจ็บโั้โหยายนี่เป็นเรื่องเวลาเหมืนเราพูดแช่นี้ก็เป็นเรื่องเวลาอ๋อแล้วผมไม่ยุ่งแล้วผมผมเมามากแล้วผมกลับบ้านเนี่ยแล้วเมอผมลุกขึ้นเสร็จทีผมเดินออกมาจากหน้าบ้านแกได้หน่อยยังไงผมหันกลับไปถามว่ายายจะนอนที่บ้านไหมครับแ่ก็บอก ให้ยายมึงมาเรียกแล้วกูจะเข้าบ้านคือคือยายผมอะเป็นเพื่อนกกอย่แกคุณแม่และแกเล่นไพ่ด้วยกันนะะทันนี้ว่าแกบอกใหนน้ยายมึงมาเรียกกูถึงจะเข้าบ้านได้ผมก็อ๋อยายนีงขนาดไม่มีที่นอนอยังยิงอีก น, นะคือผมก็พูดเล่นเหมือนกันนะแกก็บอกเออผมอะอ๋อตามใจถ้าไม่ไปก็ตามใจให้ไปก็ตามมาแล้วกันทีเนี้ย คนเมาพี่ถ้าใครดื่มเราจะรู้ว่าถ้ามันเมาจะจัดเนี่ยมันจะต้องรีบเดินถ้าเดินช้ามันเตะไปเตะมอย่างนั้นแหะผมจะเล็งหน้าบ้านผมไว้นี่เพราะผมเล็งหน้าบ้านเสร็จแล้วผมพุ่งเลยพี่ผมพุ่งแบบผมจำจำจำําจำจำจเสร็จหน้าบ้านผมมันจะมีต้นเข็มกับต้นตะพึงที่ใบยาวๆถ้าใครรู้จักนะใบยาวๆผมก็ไปอยู่ที่ต้นเขียมสักทีหนึ่งตั้งสติสักฟังเดินเข้ามาตรงต้นตะพึง ผมก็หันกลับไปมองคือใจเราอยากจะมองก็อย่างไรเกดได้เดินตามมาไหมพอผมหันก็ไปที่หัวใจหัอตุ่มมันจะยืนไปอยิบหัวของผมผมก็เีชไม่กันเร็วอะใช่ใช่ใช่ผอรีชยายมาไม่ไหรเนี่ยผมก็เดินตามมึงมาไงยายจะมาเดินเร็วอะขนาดนี้ยายก็บกมึงเมาไม่รู้เรื่องอรืมั้งผมก็เลยพุ่นจะได้หรือวะแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็บอกมา มาแล้วเข้ามาเข้าบ้านมา๋ยถ้าบอกถ้ายายมึงมาเรียกกู่เด็ดปูจะเข้าไปผมว่าโอ้ยยายนี่ยังยิงไม่เข้าเรื่องเ น, นะผมก็เปิดประตูเลื้อเข้าไปเป<ช>็นประตูเลื่อชั้แรก<ช>ผมจำได้ว่ผมเปิดเสร็จแล้วผมไม่ปิดเลยเขากะว่ให้ใจเดินตางเข้ามาผมก็เดินแล้วไปถึงช้างประตูเนี่ยคิดว่าผมผมเรียกยายผมว่าแม่นะผมว่าเพราแม่แม่แ ม, แม่ดังๆเขาก็ตออมาเปิดประตูยายผมเปิดประตู พอเต้นไเต้ไปไปผมก็ทลาเข้าไปเลยพี่อาการของคนเมาอะ่ะผมจะเป็นอย่างนี้ไป้องคิดทลาเข้าไปแล้วนอนเหยียดยาวเลยหน้าประตูนั่นแหละไม่ไปไหนแล้วลวันนั้นคือนอนตรงนั้นแหละทุกวัน เ, เมากลับมา <S <S ผมจําได้ว่าก่อนที่ผมจะจะหลับไปเนี่ยผมหันมาพูดว่าแม่คือผมใช้ย่ว่าแม่นะแม่ยัง เ, เล็กอยู่หน้บ้านอ่ะแม่แม่จะเลียงแต่เข้ามานอนด้วยอะ่ะแต่ไม่ได้เข้าบ้านตังสองวันแล้ว ยายผมถามอะไรนะแล้วผมก็ได้ยินเสียงี่ประตู ด, ดังปึ้งผมก็ไม่ไ่้ผมก็ไม่ไดสนใจผมก็เมาผมก็มกเออแล้วผมก็นอนนอนเลยนานแค่ไหนไม่รู้นะพี่เชา้ามันจะเป็นสายสายแล้วผมจำไม่ได้ ว, ว่ากี่โมงกี่ชั่วโมงผมไม่รู้่เสียขึ้นมาเนาะผมก็แหงแหงก็นั่งนั่งอยู่หน้าทีวีนั่งดูทีวี ยายผมเนี่ยกับแม่ผมปกติเขาจะไม่ค่อยถนัดสนุนผมกินเหล้าหรอกแต่วันนัน้นยายผมเขาได้เดินมาทํามเมาอยู่กันเนี่ยอต่า ง, งแล้วทําไมอะถ้าจะดา่าอะไรก็เอาเลยพร้อมแล้วผมว่างเลยนะแกบอกไม่ดา่าจะให้ตังค์ไปซื้อเบียร์มากินผมก็ว่าเฮ้ยเวทีแม่แต่ยายมาแปลกที่แม่ผมก็นั่งเฉยเลยผมว่าอะไรผมแก่ะ <c oughs> ผมก็ มาชดก็เดินไปซื้อเบียร์มากินเพราะว่าถัดไปสหลังก็ไปล้างหายของแหละผมก็ซื้อเบียร์กลับมานั่งกินพอนั่งกินเสร็จผมก็ดูทีวีแกถามผมว่าเ <c oughs> มารึยัก็เริ่มเมาแล้วล่ะถ้าถามงั้นเริ่มเมาแล้วล่ะ เ, เพราะว่าเมื่อกี้กินเหาแล้ ว, ลวตอนนี้มากินเบียร์มันซีกันแล้วนะ <c oughs> เนี่ยไอแม่มีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยนั่งมองหน้าผมกันแกก็บอกเมื่อคืนนี้มึงไปทำอะไรม า, มาโอ้โหผมตกใจพี่ผ ม, ผมรีผ้าผมนึกว่าผมไป็นผ้าไปก่อเรื่องอะไรมาอีกนะแต่ว่าไม่มี ก็คือไม่ได้มีเรื่องของใครด้วยมั่นใจแต่กขาบอกไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นมึงเจออะไรอีกเอ้แม่มีอะไรจะพูดแม่พูดเลยดีกว่าผมงงยายผมนะนะแกก็เก็บรอเร่นี้แกก็บอกว่าเมื่อคืนมึงเจอยยเล็กอ่ะผมก็เลิกเลิกเรื่องทั้งหมดเลยแล้วผมก็ค่อยพูดออกมาพูดออกมาตามลำดับแกก็บอกนี่มึงฟังกูดีๆนะคือแกก็พูดตำมาสามคนโบราณนะนะรูมึงตลาดอะไร ซึ่งฟังกดีๆนะต่บอกอะไรให้ถ้ามึงเจอจริงๆอ่ะมันก็เจอน่ะไม่ใช่คนแล้วทําไมอ่แหม่ผมก็หันไปมองตาเหลือดเลยนะมึง่็แกหลอกเราแบบจะไม่ให้เราเข้าบ้านดึกไม่ให้เรากลับมาถึห้าโมงครึงอย่างงี้ยคือเยเล็กอ่ะแกเป็นคนแก่แต่ว่าลูกหลานแกน่ะให้แกไป น, นอนข้างบนบ้านซึ่งกระใดเนะี่ยมันเป็นบ้านพักของทหารทีเป็นมู่บ้านเลยนะ อ่าเป็นบันไดเนี่ยเขาทําบันไดถี่มากมถ้าใครอยู่แถนั้นมาฟังเรื่องนี้เดี๋ยวจะรู้บันไดเนี่ยถี่มากและ ช, ชันมากเลยเวื่องนี้แกก็จะนั่งแบบว่าเอาปูดเนี่ยถัดจะได้ลงมาทีละขั้นคุณนึกภาพป่ะคนแกฮ ะ, ะค่อยถักลงมาค่อยถักลงมาใช่ครับแต่พอดีวันนั้นเหมือนจังหวะโดืนแกถึงที่ถึงเงี้ยแกถัดได้สองขั้นแล้วจะพุ้งข้างบนลงมาเลยพี่หัวลงพื้นได้ยินพอพูดว่าสมองนีกระจายเลยนะพี่ ครัน้นี้ผมได้มีเหมือนกันปุ๊บสิ่งที่ผมนึกสิ่งแรกผมนึกสิ่งคําที่อะไรพูค่คาว่าหัวแตกอืเมื่อกี้ตัวแตกแม่เจ็บไหมแม่คำนี้นคือมาเข้ามาในหัวผมทันทีเลยแล้วผมว่ยแม่แบบพูดเล่นเลยคือตอนนั้นผมผ ม, ผมเริ่มเสียพลังแล้วเพราะว่าผมนึกสิ่งคำนี้แล้วแม่ผมบอกว่าหัวลงแล้วหัวสมองกระจายเลยเขาว่านะวแม่แบบพูดเล่นนะผมไม่ชอบ ต่ระบบไม่มีใครเขาพูดเล่นหรอกเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยถามเพื่อนผมเลยพอถามเพื่อนผมเสร็จผมก็โวยวายแลยไอ้เก่งทางโทรศัพท์มาไอ้เก่งนี่ยังไงวะเนี่ยเรื่องเงินเล็กอะไรอไอ้เจ่งระบบใจเย็นใจเย็นใจเย็ น, ยนไปได้ไรเนี่ย อ, อยู่ีมวยยเรื่องเนล็กเนีย่ยผมหายไปไหนมาตั้งสี่ห้าวันผมก็บอกก็ไปอยากปกติแนละ้วตอนนี้มเคลียเรื่องเนเล็กกับอุปกรณ์บางคนโทษเราที่นมาเป็นกัเี้ยงเพือเอ่อนจริงๆนะาษาเพื่อนจริงนะอันนี้ได้เลยสบาย มึงเยร์กูเหรเรื่องเงยเล็กเหมืว่าไงน่ะอะไรแล้วมันเป็นไรมันเดือดร้อนอะไรแทนเขาอ่ะก็ไม่เคยกูจะเรื่ล็กแต่ยายกูบอกว่าเงยเล็กตายแล้วเครื่อนผมเงียไปเป็นเกสองนาทีพี่เชื่อไหมนั่งคือนั่งนิ่งไปสองนาทีครับออืแล้วมันก็รบอกมึงฟังกูดีๆนะเรื่องอย่างเงี้ยไม่มีใครเขาพูดเล่นหรอกเว้ยเงยเล็กจะตกระไดตายจริงไม่เชื่อมึงลองเดินมาดูตอนนี้เนี่ยพวกบ้านเขายังไม่กลับมากันเลยรายงานตกเป็นอยู่ ผมก็นึกภาพขึ้นมาคือไอ้กุญแจล็อกที่ปูปีนเข้าไปแล้ว ไ, ไปเห็นในบ้านแล้วออคือผมเฮ้ยน่คือจริงๆนี่แหลเนี่ยแล้วผมก็นึกภาพแต่ละอย่างคือซอยบ้านเราเนี่ยมันเคยยี่จะโบกเบลวายแต่เมื่อคืนนี้มันเงียบไอ้เก่งก็จบ ม, มาเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่แค่มึงเว่ยมันเลยทําให้ซอยเราเงียบอะืะคือในรุ่นที่เล่นเล่นกันอยู่ตอนที่ยายจะตายใหม่เนี่ย ยายจะอยู่ดีจะเดินเข้ามาท่ามกลางคนแบบเยอะๆอะ <Ừ. S 2> หัวค่ำอย่าเงี้ยอ <Ừ. S 2> เดินมาเรียกขาหลานแก <Ừ. S 2> ที่เออะไรดีอะคือคนแต่งงันทั้งซอยจนเขาไม่มีใครได้อยู่ uh huh. พอฟ้าเริ่มเมื่อเขาเข้าบ้านหมดเลย uh huh. แล้วผมไม่เคยดูเรื่องคือสมัยนั้นนะที่การจะมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันต้องคนมีงานแล้วรวยจริงถึงจะมีสมัยคือมือถือแพงมากใช่ครับคือทุกผมก็ไม่มีไงก็เลยไม่เคยมีใครเล่าให้เราฟังว่าที่บ้านเกิดอลไรขนบ้างเนะี่ย แล้วจุดใครเนบ่ยคนที่เจอเนี่ยก็คือร้านขายของร้านขายของปักซอยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าใครจะเป็นจะตายในซอยอะไรเงี้ยนะแต่ที่ผมลงไัยว่าทำไมร้านเขาปิดหัวค่าตั้งแต่ที่ผมลงไ่ในองแถวเนี่ยผมเพิ่งมารู้จากเพื่อนผมว่ายายเล็กเนี่ยจะเดินเข้าไปซื้อของในร้านค่ํากลางคนไม่เยอะแล้วคนแต่งตื่กันหมดต้าเจ้าของร้านใครก็ถามว่าเขาวิ่งหนีอะไรกันยายเล็กก็บอกว่า ซื้อยาหม่องหน่อยคือแกจะชอบอยาหม่องอนะ่ะทาตัวทาตัวตลอดคือแกเดินไปไหนจะมีกลิ่นยาหม่องจะกินก่นไป้งที่แต่ปาหน้าไงตลอดแต่กก็บอกซื้อยาหอม่องหน่อยอป้าคนขายจะก็ขายยาหม่องให้นะถ้าปกตินี่อแกเห็นว่าซื้อเห็นว่าซื้อคนในซอยนะเออมันไม่คุยไม่คุยไม่รู้เป็นอะไรวะแล้วป้าแกก็ขายตามปกติพอคนที่นอกร้านเขามองไปเห็นว่าอย่าเล็กไม่อยู่แล้วก็เดินเข้าไป ป้าจะถามเป็นอะไรกันเขาบอกกลัวหนีผีก็นเนี่ยมันงไม่จะตายไปแล้วมันอยูป้าเลยจะปิดร้านเล ย, ย, ยปลิดร้านเลยครับแล้วตั้งแต่นั้นค่อช่วงหัวค่ำคือจะปิดร้านตลอดอพอป้าเริ่มหนุคนเริ่มเข้าซอยจะปิดร้านเพราะแกกลัวเลยไม่จะมาซื้อของอีกเนี่ ย, ยผมเล่าตอนนี้นเสียงตอนที่แกพูดแล้วที่หน้าแกหน้าขาวๆแล้วแค่บอกอวสวยแต่ คุณรู้ไม่าคนหัวแตกมันเจ็บแค่ไหนนะผมยังอยู่ในหวผมอยู่เลยตอนเนี้ยัยงจำภาพวันนั้นได้ดีถึงแม้ว่าโทษ น, นะครวันนั้นเราดื่มมาพอสมควรครับแต่ยังจําได้ดีเลยครับที่แกจะเป็นคนที่จะบอกว่าที่รายขนาดีาาหว่าน่าแกจะเหี่ยวด้วยความแก่แล้วนะแล้วัจแกจะผอมแล้วแกปากแป้งแบบติดเกลื่อนน้ำอ่ะปากเต็มเลยแล้วแกจะหนังตากระตุกอ่ะผมนึกการที่ผมยังเสียวอยู่เลยนี่คุณคิงพูดภาพออกมานี่ผมนึกภาพตามออกเลยนะ เา่าห่วเลออกเลยอะ่ะก็ผมเมาแล้วก็มาคนเมาเนี่ยเขาเวลานั่งตัวเล้ก็จะโยกไปโยกมานะผมก็ยื่นหน้าไปคุยใกล้นหน้าแกบ้างอะไรบ้างเหมือนเราให้เขาจะยีนอน้ำนมแกอะไรเรื่อนขึ้นม น, น้าแบยติดหน้าแล้วดึงหน้าออกพูดเล่นมือไม้ตัดไปโดนตัวแกบ้าอะไรเงี้ยคือมันคนช้าๆแต่พี่แต่เช้ามาแม่บอกตายไปตั้งสามสีวันแล้ว ผมไม่ไปเรียนเลยภาคข้ามตอนนั้นจริงเชื่อไหมคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้กลับบ้านด้วยช่วงนั้นไม่กลับเลยครับครับแล้วก็ไม่หลบเหล่านี้มันหนักมากเลยจริงใช่ครับแต่ี่ผมผมถามหน่อยผมถามครับเอ่อเหตุการณ์อย่างเงี้ยฮะที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยออกจากบ้านกันช่วงหัวค่ําหรือว่าหัวค่ำปิดบ้านนอนกันเนี่ยหลังจากที่ไอ้เล็กตายไปครับเป็นอย่างนั้นอยู่อีกนานไหมฮะกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ผมว่าน่นจะเป็นเดือนได้อ่ะพี่อน่าจะเป็นเดือนได้เลยเจอกันทั้งซอยจริงจก็พี่นุกภาพนะที่ที่ทไอเก่งผมผมเพื่อนผมมาเล่าให้ฟังแหละมันเล่าในสิ่งที่ผมไม่ได้อยู่ด้วยคือมันบอกว่าตอนที่ยะเลยจะขายได้ ว, วันเดียวอะทุกคนลูกหลานว่านแกไป ง, งานศกหมดหแล้วอยู่ดีแกก็เดินเข้ามาในขณะที่เวรุ่นกาลังนั่งเล่นกันเตะบอลอย่างงี้แตะโกนเรื่กชื่อหลานแกตามปกติอ่ะ ทีเจยจะเคยเลือกเออบีเนี่ยล้วจเรือกเสร็จแล้ทุกคนหันไปมองแล้วเจยจะ ย, ยืนอยู่แบบนี้แล้วเขารู้ว่าจะตายไปแล้วอ่ะเขาก็แต่งตัวเลยแล้วทุกนก็มีใครเข้าบ้านเป็นกี่เลยครับเดี๋ยวนะเท่ากับว่าเรื่องที่คุณคิงเล่ากับผมนะตอนนี้ณตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครฟังรายการอยู่แล้วอยู่ในซอยนั้นก็ต้องรู้เรื่องนี้ดิรู้ครับรู้ครับคือซอยบ้านผมเลยนะจะต้องบอกเลยว่าถ้าผมพูดนะถ้าคนที่สังเกตุจะรู้ หมู่บ้านนั้นจะเป็นหมู่บ้านทหารซึ่งย้ายมาจากที่หนึ่งพอะที่เมืองเนี่ยมันเคยเกิดเกิดเหตุการณ์กมระเบิดเขาก็เลยย้ายมาปลูกที่นี่เขามาปลูกที่นี่เนี่ยมันเป็นป่าช้าของชาวอิสลามเก่าป่าช้าของาวอิสลามเก่าที่นี่จะมีเรื่องแปลกๆเยอะพี่แม้กระทั่งลอกคนในซอยเนี่ยเดินๆอยู่กลางคืนจะเห็นคนนึ่งเหมืนผ้าซาลีเดินผ่านอะไรนี่นก็มีนะเดินเฉยๆกัน็อันหลังจะมองแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะเป็นอย่างนี้กันเยอะครับ มันมันน่ากลัวเฮ <mom ent> ้ยมันน่ากลัวนะคืออารมณ์นั้นตอนแรกตอนแรกที่ผมฟังคุญคิงเล่าเนี่ยผมเชื่อเอ้ยคุณคิงอาจารโทษนะฮะเมาแล้วหลอนไปเองหรือเปล่าแต่พอคุณคิงยืนยันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนทั้งซอยเห็นหมดอย่างเงี้ยร้านปาซอยเจออย่างเงี้ยโอน่าสนใจครับผมโอ้โหเป็นเดือนๆเลยฮะที่ทุกคนต้องแบบปิดบ้านนอนกันเร็วกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ไอ้เป็นเดือนอย่างเดียที่ทุกคนไม่ออกจากซอยไม่เท่าไหร่นะพี่บางวันยังมีคนได้ยินเสียงแกเดินตามหลานก็อยู่เลยใชอครับคือได้ยินเสียงเดียแต่เราไม่ออกไปนอกบ้านนะครับ อ, อ, อ, อ, อ, อคืออยู่ในบ้านเนี่ยแต่ได้ยินเสียงเหมือนแกเนี่ยเดินตามหา ห, าหลานแกลูกแกอยู่หน้าหนหน้าใช่ครับโอ้โหครับแล้วแล้วแล้วสิ่งที่ผมเคยได้ยินก็ได้ยินเสียงว่าเดียดเอ้ดีอย่างเงี้ยะผมได้ยินแค่แบบเบลอๆแต่ไม่ชัน แต่ว่ายายผมอะ่ะเขาก็กเขามองออกมานอกบ้านเขาเห็นคนเขาเลยไม่มอ ง, ขออ ง, มองอเขาเลยหันไปมองทีวีต่อเขาบอกเขาจำสภาพได้ว่าเป็นยูเรซเนี่ยมายืนแกก็เลยแกก็เลยตะโกนออกไปว่า ห, หลานฉันนี่ยมันไม่รู้เรื่องเหรอเขาเรียแกมาเน่ยแกไม่ต้องเข้ามาหลอกบ้านฉันมันมีแต่นนคนกลัวคือจะตะโกนอย่างเงี้ยถ้าถ้ามาแน่รูตอนนี้คือตอนนั้นยายผมไม่ได้อธิบายอะไรแต่ถ้าผมมาแน่รูตอนนี้ยายผมคงจะคิดว่าแกยังรู้สึจะทําที่ผมชวนแกมานอนที่บ้านเงพี่ ขอยาติเหตุผลได้เติร์นเจ้าของบ้านไม่ได้เชิญด้วยตัวเองถ้าเจ้าของไ้อนุญาตเด็กเขาจะสามารถเข้ามาในบ้านได้ใช่ครับแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ้โผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงส่งเรื่องอคุณคิีมมาให้คุยกับผมเฮ้ยเรื่องนี้ถ้ากลัวดีเอแต่ว่าผมมาดาเรื่องถูกนะแต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายออกไปขนาดนี้ไงโอ้โหมันเจอกันใหญ่โตพี่เยอะเลยเขาเจอกันทั้งซอยครับ เตอทั้งซอยคือว so, like uh. mm ่า hmm. นี่เด็กเล็กแดงน่ยใครที mhm. Because, you know, ่ไ้จับยาเเพื่อนชื่อเป็นเนี่ยเดินผ่านบ้านเขาสวรรค์แงแสงเด็กคันก็ชี้ไปยานุยานุยนหน้าบ้านทั้งทที่ไม่มีใครยืนอยู่นะครับัอืแล้วตัวผมเองเนี่ยผมผมเป็นคนที่ผมไม่โอดผมมีเซนผมผมบอกตรงม่าดเซนถ้าผมมีเซนผมก็ต้องรู้นนนี้ร้ั้นแต่ผมไม่มีนะแต่ผมจะเป็นเทเที่ยวเวลาไปไหนกับเพื่อน อย่างผมไปบ้านเพื่อนผมชี้เฮ้ยยายเขาโบกมอไซมามันไม่จอดแล้วมันบกยายไหนวะเขายายบ้านนังไงเพื่อนผมบอกมึงจะบ้าเหรอยายแม่นนเขาตายไปแล้วเลยเพืคือผมได้เห็นในสื่อที่เพื่อนเพื่อนแบบว่าจคัคืนนี้เขาอยากไปไหนกับผมอจะเป็นอย่งังไงเดี๋ยนฮะหลังจากอันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วครับผมนะฮะแล้วทุกวันนี้ฮะเป็นยังไงบ้านจับบ้านอ ทุกอย่างนี้ผมผมกลับไปดูก็คือหลานแกก็มีสามีแล้วมีลูกแล้วมีอะไรเงี้ยทุกอย่างก็เป็นเหมือนปกติแต่รู้สึกว่าคนในบ้านแกก็คนในบ้านเขาอะนะก็จะเสียไปสองคนและสองคนสองคนแล้วคือว่าทุกอย่างเป็นปกติเหมือนครับมันเป็นบ้านพระทหารถ้ายังมีคนที่ทําทหารหรือ ท, ทำเกี่ยวกับทหารอยู่ในกรมเนี่ยก็สามารถอยู่บ้านนี้ได้อยู่ครับผมเขายังไม่ได้กดกระเสริฐเงินไปที่ผมไปไปดูล่าสุดเนีน่ยนะเพราะผมก็ไม่ค่อยได้กลับไปเท่าไหร่ที่เชียงรายแล้วอย่างคือเวลามันก็ผ่านมาพอสมควรแล้วด้วยเนาะ ใช่ครับผนมงเมแต่ว่าพอพูดเรื่องนี้ผมนึกหน้าแกได้อยู่เลยนะผมฟัทาที่คุณคิเล่าผมหน้าแกออกเลยนะหน้าโทษนะหน้าหิว ห, วหน่อยหนังตาตกหน่อยทาแป้งแบบแป้งน้ำประเภทบางแบบบางระยะปากปะและ้วผลลุกอย่างหนึ่งคือคนแก่สมัยก่อนอยางอาผมเนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะแกจะติดยาหม่องชอบเอายาหม่องเอายาหม่องถูหน้าตัวเอง <rium> <asure it> โอ uh, ้แล้วกลิ่นยาหม่องครับผมจะจำเวลาอาผมมาได้อะกลิ่นยาหม่องแกถูจนหน้าแะดำหมดเลยนะยาหม่องแกถูแบบมากอะไรอย่างเงี้ยผมยาเล็กนี่ก็เหมือนกันนะแกทาทั้งตัวทาไปหมดทุกส่วนเลยคือแกเดินไปนี่คือจะหอมพิ้งไปด้วยกิ่นยาหม่องเลยบางดีจะยังมาไม่ถึงเลยท่านลมไมอะไรไงเราอยู่ท้ายซอยเราได้กลิ่นเลยนะเราจะคุยกันในกลุ่มเพื่อนเพื่อนที่ผมมีเลยยาเล็กมาอะไรมาตามอย่างแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเตรียมล้อแกอะไรเง้ย ในรุ่นอะบางทีปากเราก็ไม่ดีเราก็ยอมรับไง น, นะแต่มาตามอีกแล้วโอ๊ยไม่ไปถ้ายายเดียวตรงนี้ไม่ได้กินยายต้องวิ่งอย่าต้งองกจกทิงเลย อ, อย่างเงี้ยาอะไรเงี้ยเราก็แซวแกแกก็แบบโกรธมั่งไม่โกรธมั่งเดินกลับอย่างนั้นนะครับอืแล้วคุณคิงนี่คือประสบการณ์ทั้งทั้งแรกและครั้งเดียวเลยครับที่ที่ที่เจอแบบเป็นตัวเป็นตนคุยกันแบบจะจะเห็นกันแบบใกล้ๆขนาดนี้อ้ยครับพี่ผมบอกตรงๆเลยว่า ก็จคยเล่าไปบ้างแล้วนะ<ม>แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยผมเจออะ่รพวกนีก้เยอะเท่าไหร่ผมไม่ได้นับแต่ผมบอกไป้วพี่ว่า<ม>หลายครั้งมาก<ม>เพราะว่าอย่างตอนเนี้ช่วงเนี้ผมโตมาเนี่ยผมก็ทำาลายอยู่กับปั้นพระผมอยู่กับวัดเคยมีวัดที่ผมไปปั้นแล้วผมก็นั่งคุ ย, ย, ยกับมัคคายกเจ้าว่าดอกมัคค า, า ย, ยกคนนี้ตายไปแล้วก็มีเหมือนกันเลครับครับ<ม>ผมท<ม>ี่เราทำเงานปั้นพระเป็นสิบ ส, สิปีที่แล้วผมต้องนอนในวัด<ม>นอนในแต่ละที่บางทีเราไปบางที่เนี่ยเขาไม่มีที่นอนให้เราเนี่ย เราต้องไปนอนในสาราที่เขาพักศพอ่ะปั้นพระหมายถึงว่าปั้นพระพุทธรูปพระผงพุทธรูปพญานาคในหลายอย่างปนะั้นเจดวัดเนี่ยบางวัดเนี่ยเราขึ้นไปอยู่บนเขาเลยอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเขาไม่มีสาราให้มีเงินผมต้องไปนอนสาราธํามาสังเวชที่แบบปั้นนอกอะคือพอธรรมสังเวชเสร็จปุ๊บมองไปทั้งนากระเด็นเจริญกรรณอย่างนั้นนะหเออแล้วทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเจอใหญ่เล็กแลใช่ไหมเงียบ คิดว่าน่าจะเรื่องน่าจะเยียบไปหมดแะ้ทุกวันนี้ยังมีคนเจอยายเล็กอีกไหมฮะอ่าผมไม่เคยได้ถามแต่คิดว่าน่าจะไม่มีใครเจอแล้วครับเพราะว่ามันมันช่วงเดือนนึงช่วงนั้นเนี่ยพอหลังจากนั้นก็เหมือนจะซาไปเลยเพราะเขาทําบุญกันทั้งซอยเหมือนเหมือนทุกคนก็ไปใส่บาตแล้วก็หุงชิ้ให้แกนะเขานั่งคุยกันอะไรเนี่ยครับค่ะเอออาจจะถึงอายุไขถึงเวลาสงแกแล้วด้วยเหรอมั้งนะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแกก็แก่มากแล้วตอนนั้น